11. อัพยากตนิเทศอเหตุกะกุศลวิปากจิตแปดจกักขุวิญญาณจิต306สภาวธรรมที่เป็นอพยากฤิเป็นไฉไจกักขุวิญญาณที่เป็นกุศลวิบากสหรอรคด้วยอุเบคามีรูปเป็นอารมณ์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 นี้เรียกว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามจึงมีเพราะนามเป็นปัจจัยอายตนะที่6จึงมีเป็นไฉนิจิตมโนมานัตจักุวิญญาณธาต่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าเพราะนามเป็นปัจจัยอายตนะที่6จึงมีเพราะอายตนะที่6เป็นปัจจัยพัตะจึงมีเป็นไฉนิความกระทบกริยาที่กระทบ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 กิริายาเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าเพราะภ菩萨เป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยภพจึงมีเป็นฉไนะเว้นเวทนาแล้วสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันนี้เรียกว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า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 ในสมัยนั้นเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณที่สัมปยุทธ์ด้วยสังขารจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามที่สัมปยุทธ์ด้วยวิญญาณจึงมีเพราะนามเป็นปัจจัยอายตนะที่6ที่สัมปยุทธ์ด้วยนามจึงมีเพราะอายตนะที่6เป็นปัจจัยผัสสะที่สัมปยุทธ์ด้วยอายตนะที่6จึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาที่สัมปยุทธ์ด้วยผัสสะจึงมี เพราะเวทนาเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาตเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นโดยอาการอย่างนี้310ในสมัยนั้นเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีแม้เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยสังขารจึงมี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 กายวิญญาณจิตส1 1สภาวธรรมที่เป็นอัพยากริศเป็นไฉนะโสดวิญญาณที่เป็นวิบากสหรคตด้วยอุเบกขามีเสียงเป็นอารมณ์เกิดขึ้นคาณวิญญาณที่สหรคตด้วยอุเบกขามีกลิ่นเป็นอารมณ์เกิดขึ้นชิวหาวิญญาณที่สหรคตดด้วยอุเบกขามีรสเป็นอารมณ์เกิดขึ้น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 312บรรดาปัจจยาการเหล่านั้นสังขารเป็นฉไนความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจนี้เรียกว่าสังขาร น, นี้เรียกว่าเพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยพัสะจึงมีเพราะภัตะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเป็นฉไนความสำราญทางกาย ความสุขทางกายความเสวย อ, อารมณ์ที่สําราญเป็นสุขอันเกิดแต่กายสัมผัสกิริยาเสวย อ, อารมณ์ที่สําราญเป็นสุขอันเกิดแต่กายสัมผัสนี้เรียกว่าเพราะภระสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยพบจึงมีเป็นฉนะัยเว้นเวทนาแล้วสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขัน นี้เรียกว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ 6. สัมปติชนจิต 313. สภาวธรรมที่เป็นอัพยกริเป็นไฉนะมโนท่าที่เป็นวิบากสหรคตด้วยอุเบกขามีรูปเป็นอารมณ์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 เพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้316บรรดาปัจจยยการเหล่านั้นสังขารเป็นฉไฉไนความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจนี้เรียกว่าสังขาร เพราะสังขารเป็นป no to <im> ัจจัยวิญญาณจึงมีเป็นไนจิตมโนมานั์มโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีนี้เรียกว่าเพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเป็นไนความสําราญทางใจความสุขทางใจ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 กองทุกทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้แปดอุบเบกขาสันติรณจิต317สภาวธรรมที่เป็นอัพยกระิเป็นฉไหนมโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากสหรคตด้วยอุบเบกขามีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์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 นี้เรียกว่าเพราะอายตนะที่หเป็นปัจจัยพัฏะจึงมีเพราะพัฏะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเป็นฉไนความสําราญทางใจก็ไม่ใช่ความไม่สําราญทางใจก็ไม่ใช่ความเสเวย อ, อารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสเวย อ, อารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่า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 ติโมกแล้วเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันนี้เรียกว่าเพราะธิโมกเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้กามาวจาระวิปากจิต8 3ดสสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตเป็นไฉนะ มโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากสหรคตด้วยโสมนัสสำปรยุทธ์ได้ญาณสหรคตด้วยโสมนัสสำปรยุทธ์ไดญาณโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยโสมนัสวิปยุทธจากญาณสหรคตด้วยโสมนัสวิปยุทธจากญาณโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยอุเบกขาสำปรยุทธ์ไดญาณสหรคตด้วยอุเบกขา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 พระเวทนาเป็นปัจจัยภาษาทะจึงมีเป็นไฉนศสัทธาความเชื่อกริยาที่ปรองใจเชื่อความเลื่อมใส ย, ยิ่งนี้เรียกว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยภาษาทะจึงมีเพ ร, ะระาะภาษาทาเป็นปัจจัยอธิโมกจึงมีเป็นไฉนความตัดสินอารมณ์กริยาที่ตัดสินอารมณ์ภาวะที่จิตตัดสินอารมณ์นั้น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 กองทุกทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้รูปาวจระวิปากจิต321สิสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตเป็นไฉนะโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปภพสงัดจากกามบรลุปธรรมชาญที่มีปฐวีกสินเป็นอารมณ์ อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจาระบุคคลสงัด จ, จากามบรลุปธรรมชาญที่มีปฐวีกสินเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นวิบาบเพราะได้ทรรมได้สังสมรูปาวจรกุศลกรรม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 322. สภาวธรรมที่เป็นอัพยกรติเป็นฉไนะโยคาวจรบุคคลจเจริญมักเพื่อเข้าถึงอรูปภพเพราะก้าวล่วงอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงจึงบรรลุจตุตถฌานที่สหรคตด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้ อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัทธะอาวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลจเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงอรูปประพบเพราะก้าวล่วงอากินจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงเพราะละสุขและทุกข์ได้จึงบรรลุจตุตถฌาน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 กองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้โลกุตระวิปากาจิต323สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตเป็นไฉนะโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏุทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้น สงัดจากกามบาลุปธรรมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัษะอาวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสงัดจากกามบาลุปธรรมฌานที่เป็นสุญนตะ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 ชรามรณะจึงมีสภาวธรรมเหล่านี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้อกุศลวิปากจิตเจ็หนึ่งถจักขุถึงกายวิญญาณจิต324สภาวธรรมที่เป็นอัพยกระิบเป็นฉหนะ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 สหรคตด้วยเบกขามีรถเป็นอารมณ์เกิดขึ้นกายวิ ญ, ญญาณที่เป็นวิบากสหรคตด้วยทุกข์มีโพธะพระเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะได้ทำได้สั่งสมอกุโสลกรรมไว้ในสมัยใดในสมัยนั้นเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญ ญ, ญาณจึงมีเพราะวิ ญ, ญญาณเป็นปัจจัยนามจึงมีเพราะนามเป็นปัจจัย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 กองทุกทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ 325. บรรดาปัจจัยการเหล่านั้นสังขารเป็นฉนหะนความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจนี้เรียกว่าสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเป็นฉนหะนจิตมโนโมานั กายวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีนี้เรียกว่าเพราะอายตนะที่หเป็นปัจจัยพัสสะจึงมเีเพราะพัสสะเป็นปัจจั ย, จ เ, เ, จจยเวทนาจึงมีเป็นไฉไนความไม่สำราญทางใจความทุกข์ทางกายความไม่สาราญทางกายความทุกข์ทางกาย ความเสเวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายสัมผัสิริยาเสเวยอารมณ์ที่ไม่สาราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายสัมผัสนี้เรียกว่าเพราะภาษาเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยพบจึงมีเป็นชไหนะเว้นเวทนาแล้วสัญญาขันสังขารขันและบิญญาณขัน นี้เรียกว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ 6. สัมปติชนะจิต 326. สภาวธรรมที่เป็นอัพยกริตเป็นไฉนะมโนธาตุที่เป็นวิบาก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 อุเบกขาสันติรณจิตส2 8สภาวธรรมที่เป็นอัพยกริตเป็นฉไนะมโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากสหรอรคตรด้วยอุเบกขามีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นเพราะได้ทำได้จังสมอากตลกรรมไว้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 พจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณะจึงมีกองทุกทั้งมวั น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้329บรรดาปัจจัยาการเหล่านั้นสังขารเป็นะไะน ความจงใจกริยาที่จงใจภาวะที่จงใจนี้เรียกว่าสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเป็นฉะไหนจิตมโนโมานตมโนวิญญาณธาติเหมาะสมกันนี้เรียกว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นโดยอาการอย่างนี้ อเหตุุกักริยาจิตสามสสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิเป็นไฉมโนธาตุที่เป็นกริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากแห่งกรรมสหรคตด้วยเบิขามีรูปเป็นอารมณ์หรือมีโพธพเป็นอารมณ์เกิดขึ้นมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกริยาไม่เป็นกุศล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 อธิโมกจึงมีเพราะอธิโมกเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาตจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณะจึงมีกองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้กามาวจจกิริยาจิต8ปดสอ สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตเป็นไฉมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากแห่งกรรมสหรคตดิโสมนัตสัมปยุตติญาณสหรคตดิโสมนัตสัมปยุตดิญาณโดยมีเหตุชักจูงสหรคตดิโสมนัตวิปยุตจากญาณ สหรฆดด้วยโสมนัสวปิปยุตจากยานโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยอุเบกขาสัมปยุต ด, ด้วยยานเกิดขึ้นสหรคตด้วยอุเบกขาสัมปยุต ด, ด้วยยานโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยอุเบกขาวิปยุตจากยานสหรคตด้วยอุเบกขาวิปยุตจากยานมีรูปเป็นอารมณ์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 มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้รูปราวจรกิริยาจิตสามสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิเป็นฉนพระขีณาศพเจริญรูปราวจรฌานที่เป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากของกรรม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 เพราะนามเป็นปัจจัยอายตนะที่หกจึงมีเพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยพัสตะจึงมีเพราะพัตตะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยปัสาทะจึงมีเพราะปัสาทะเป็นปัจจัยอธิโมกจึงมีเพราะอธิโมกเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัย จึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้อัพยากตะนิเทศจ